คำนิคมแม่เจ้าทั้งหลายนิทานเขาพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วคือธรรมคือปาราชิกแปสิขาบทเขาพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคือสังฆาทิเศษสิบสิขาบทเขาพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคือนิสักียปาจิตตีสามสิบสิขาบทเขาพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคือปาจิตตีหนึ่งสิกขาบทเขาพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว ธรรมคือปาฏิเทศนิยะ8สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคือเศขษยะทั้งหลายข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคืออธิกรณสมถ ะ, ะเจ็ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วสิกขาบทของพระผู้มีพระภาคนั้นมีเท่านี้มาในสูตรนับเนื่องในพระสูตรมาสู่วาระที่จะพึงยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับทุกกึ่งเดือน พวกเราทั้งหมดพึงพร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาในพระสูตรนั้นเถนพิคุณีวิพังจบ